เรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นบอนไม่ได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองแต่ว่าเป็นเรื่องของน้าสาวที่อยู่คนละบ้านกันเป็นคนพบเจอเหตุการณ์นี้และก็นามาเล่าให้ฟังเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วน้าของบอนอาศัยอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าช่วงนั้นได้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านของญาติ ในจังหวัดอายุทยาเนื่องจากมีการจัดงานศพลุงของน้าที่นั่นน้าจึงต้องเดินทางไปช่วยงานแล้วก็ค้างที่นั่นเลยบ้านที่น้าอาศัยอยู่นั้นเป็นบ้านแบบไม้สองชั้นยกใต้ถุนสูงก็เหมือนกับบ้านต่างจังหวัดทั่วๆไปงานศพของลุงมีการสวดพระอภิธรรมศพเพียงแค่สามวัน เนื่องจากไม่ค่อยมีกำลังซั์มากลุงของน้านั้นชิวลุงพ์ลุงพศเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็คือว่าลุงแกกำลังขับรถกลับบ้านแล้วก็เกิดหลับในจนรถนั้นเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าร่างของลุงกระเด็นออกมาจากรถเสียชีวิตคาที่น้าของปอน ได้เดินทางมาร่วมงานแล้วก็อยู่ช่วยงานจนจบในส่วนของการช่วยงานนั้นวันแรกและวันที่สองทุกอย่างผ่านไปด้วยดีมีญาติพี่น้องมาร่วมในงานสวดพระอภิธรรมพอสมควรทุกๆคนนั้นต่างก็แสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของลุงพ์เพราะว่าลุงพ์นั้น จะเป็นคนที่มีนิสัยตลกขบขันเป็นกันเองและที่สำคัญแกก็ขยันทำมาหากินมากๆจนบางทีอาจทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เต็มที่หรือว่าสุดโสมมากไปจนทำให้เกิดเรื่องไม่คาดคิดเช่นนี้ขึ้นมาได้จนกระทั่งเข้าสู่คืนวันที่สก่อนเผาศพเหตุการณ์ทุกอย่างก็ยังคงดำเนินไปตามปกติเช่นเดิม ถึงเวลากลางคืนหลังจากงานศพเสร็จสิส้นแล้วก็กลับกันไปนอนที่บ้านงานซึ่งก็คือบ้านของลุงพจน์นั่นเองบ้านหลังนั้นนอนกันทั้งหมด5คนก็คือเมียของลุงพจน์นะลูกของลุงพจน์และญาติผู้ชายอีกสองคนส่วนญาติที่เหลือนั้นก็นอนกันอยู่ที่บ้านไกล เพราะว่ามีบ้านที่ปลูกอยู่บริเวณนั้นเยอะพอสมควรเวลาล่วงเลยเข้าสู่ตีสองกว่าน้าของปอนกำลังนอนอยู่ในมุ้งในมุ้งนั้นก็มีเมียของแกแล้วก็ลูกของแกนอนอยู่ด้วยส่วนอีกมุ้งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างกันก็เป็นญาติอีกสองคนกำลังนอนกันอยู่น้าของปอน ลุกออกจากมุง้งเนื่องจากเกิดอาการปวดท้องบอเป็นอย่างมากแต่บ้านที่น้าอยู่นั้นห้องน้ํามีอยู่เฉพาะชั้นล่างนาเป็นคนที่กลัวผีมากๆก็ไม่ค่อยจะกล้าลงไปในใจนั้นก็อยากจะปลุกใครไปเป็นเพื่อนด้วยแต่ก็เกรงใจจึงตัดสินใจที่จะเดินออกมาห่างจากมุง้งสักประมาณหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะนั่งจี่ผ่านร่องพื้นที่ปู ด, ด้วยไม้ ซึ่งพื้นนั้นจะมีระยะห่างของแผ่นไม้อยู่พอสมควรแล้วก็สามารถมองลอดไปเป็นใต้ถุนบ้านได้เพรานะนาคิดแบบนั้นจึงนั่งลงเตรียมตัวที่จะชีแต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนาได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาจากทางหน้าบ้านลักษณะเสียงฝีเท้าที่ได้ยินนั้นเหมือนกับว่าคนที่เดินมา กำลังเตะนั่นเตะนี่หรือว่าสะดุดเศษขยะหรือไม่ก็กิ่งไม้ดังใกลก้เข้ามาเรื่อยๆน้าตอนนั้นก็ไม่ได้ก้มไปมองเพราะคิดว่าแค่นั่งฉี่เฉยๆฉี่เสร็จก็จะไปเข้ามุ้งนอนต่อแต่ว่าเสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาใกล้มากขึ้นนั้นก็ทำให้น้าต้องตัดสินใจมองรลอดช่องลงไปสิ่งที่น้าเห็น ก็คือรูปร่างของผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใต้ถุนบ้านมือไม้นั้นเหมือนกำลังพยายามจะหยิบจับสิ่งของต่างๆชายคนนั้นเหมือนกับว่ากำลังจะหยิบฝาชีขึ้นเพื่อเปิดดูอาหารเปิดดูตู้กับข้าวแล้วก็นั่งลงที่เก้าอี้ตรงโต๊ะกินข้าวสิ่งที่น้าเห็นนั้นชัดเจน เพราะว่าได้เปิดไฟชั้นล่างทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเข้านอนแล้วก็เพราะแสงไฟที่ทำให้น้าเห็นภาพทุกอย่างนั้นชัดเจนคือที่มาของความน่ากลัวจนน้านั้นขนลุกไปทั้งตัวในทุกๆอิริยาบถของชายคนนั้นตั้งแต่เดินเข้ามาหยิบจับนู่นนี่ทุกอย่างที่น้าเห็นชายคนนั้นไม่มีสีสะลักษณะเหมือนกับคนที่หัวขาด ความรู้สึกของนาตอนนั้นก็คือเหมือนกับคนกำลังจะเป็นลมสิ้นสติแต่ว่านาก็ค่อยๆรวบรวมสติทั้งหมดแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งกลับเข้าไปอยู่ในม้งโดยที่มีอาการสั่นไปทั้งตัวพร้อมกับความกลัวสุดขีดอีกอย่างก็คือน้านั้นไม่ทันจะได้ชีก็เจอแบบนี้ซะแล้วพอเช้าวันต่อมา น้าก็ได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้กับญาติๆและเมียของลุงพศได้ฟังว่าสิ่งที่เจอคือใครน้าก็จำได้ถึงการแต่งตัวของชายหัวขาดคนนั้นหัวใส่กางเกงขา ย, ยาวใส่เสื้อลายรองเท้าแตะก็เล่าไปทุกอย่างที่เห็นทุกคนที่ได้ฟังและบางคนก็เริ่มจะร้องไห้ออกมาโดยเฉพาะเมียและลูกของลุงพ์ เพราะพวกเขาทั้งหมดรู้ดีหัาชายคนที่กลับมาบ้านเมื่อคืนนี้ที่น้าของปอนได้เห็นผ่านช่องไม้กระดานก็คือลุงพจน์นั่นเองส่วนเรื่องที่ไม่เห็นหัวอันนี้ต้องบอกก่อนว่าสภาพศพของลุงนั้นคือช่วงคอของศพไม่ได้ขาดเป็นในเชิงเละมากกว่าเพราะว่าศพนั้นถูไปกับพื้นถนนและเรื่องราวทั้งหมด